เตนะสัมมเยนะพุทโภพขวาอุรุเวรายังวิหารตินัตชาเนรัญชรายติเรโพธิรุคามมเรปธรมมาภิสัมพุทโธ อาทาโคภะควะพทธิรุกขมูเรสัตตาหังเอกปั้ลังเก น, นิสีธิวิมุติสุขปาติสังเวทีอาทาโคภะควารัตติยาปัมมงยามัง ปฏิจยสมุปาทังอนุโรมาปฏิโลมังมานาสากสีอวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขารปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปัง นามรูปปัจเจยาสายตนะสารยตนะปัจเจยาภัณฑโสภัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจเจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาเบโวะ บ่าวปัจจยาชาติชาติปัจจะยาชรามรนังโสกปริเดวทุกโดมานสุปายาสะสัมบวันตีเอวเมตตัสเกวราสดุขคันธาสสมุทโยโหติ อาวิชายะเววะอาเสสวีราคนิโรธาสังขารานิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรโธนามรูปานิโรธาสายตานิโรโธ สรายตนานิโรธาพัสสนิโรธพัสสานิโรธาเวทนานิโรธเวทนานิโรธาตันหานิโรธตันหานิโรธาอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาบวานิโรธ บวานิโรธาชาตินิโรโอชาตินิโรธาชรามรรณังโสกภริเดวุดุคโดมานัสสุปายาสานิรุตฉันติเยวเมตตาแกวราสาดุขคันธาสันิโรโอโหติติ อาทาโคภะคะวาเอตามัดทังวิทิตตว์ตายังเวลายังอิมังอุทานังอุทานิสียะทาหะเวปาตุบวันติธรมมะอาตาปิโนชายโตบรัมณัตสา อาทัศกังขาวัปยันติสมภายะโตปชาณาติสเหตุธรร ม, มันติอาทาโคภะคะวารติมามัติมังยามังปติจารสมรทาทังอนุรมะปฏติลมมะมานสากาสสี อวิชชาปัจจะยสังคาระสังคารปัจจะยวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจะยสราญาตนะสรายตนปัจจะยาัณโสภะสาปัจจะยาเวทนา เวทนาปัจจะยาตัณหาตัณหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทนปัจจะยาเบโวเบาวปัจจะยาชาติชาติปัจจะยาชรามรณงโสกปริเดวุกโดุมานาสุภายาสะสัมบวันติ เอวะเมตตันสาเกวราสาดุขคันธาสสมุทโยโหติอวิชายัเทเววะเสสวิราคานิโรธาสังฆารณนิโรโธสังฆารานิโรธาวินญาณ น, นิโรโธ วิญญาณนิโรธานามารูปานิโรโธนามารูปานิโรธาสารายตานิโรธสารายตนานิโรธาภาษาณิโรโธภาษสนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาทัณหาณิโรโธ ตัณหานิโรธาอุปาทานาเนโรโทอุปาทานาเนโรธาบวานิโรโทบวานิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชรามรานังโตกาปริเดวะดุคาโดมานัสุปายาสานิรุฉันตี เอวะเมตตาเกวราตาดุขคันธาสนิโรโทโหตีติอัคโคภะคาวเอตามัดถังวิทิตตวาตายังเวรายังอิมังอุทานังอุทานิสี ยถาเวปาตุบานติธรมมาอาตาปิโนชายโตบรัมนัจจาอาทาสกังขาวะปยันติสัมภายโตขยังปัญจญานังอเวทีตีอาทาโคภะขวารัตติยาปชิมังยามัง ปฏิจจสมุปังอนุโรมปฏิโลมังมานาสักสีอวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขารปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณปัจจะยานามรูปังนามรูปปัจจะยาสราญาตัง สรายาตนาปัญเจียปัญโสภาษาปัจเจีาเวทนาเวทนาปัจจียตันหาตันหาปัญเจียอุปาทานังอุปาทานปัจจียาบาวเบาวปัจจียชาติชาติปัญเจีาชรามรณง โสขปริเดวะดุคาโดมานัสุปายาสะสัมบวันติเอวะเมตตสาเกวรสาดุคาคันทาสะสมุทยโหติอวิชายตาเววาเสสะเวราคานิโรธาสังคารานิโรโธ。 สังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสารยตนานิโรโทสารยตนานิโรธาภาษานิโรโทภาษานิโรธาเวทนานิโรโท เวทนานิโร t าตัณหา niloto ตัณหา n i l o t h อุปาทานนิโรโทอุปาทานนิโรธาบวานิโรโทภานณิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชรามรณง โสกาปาริเดหวตุขดโดมานัสุปายาสานิรุรชันติเอวเมตตสากีวราสานุกขคันทาสานิโรโทโหติอาทาโคภะคะวะเอตามัตถังวิคิตตวะตายังเวลายังอิมังอุทานัง อุธานิสียถาหเวปาตุบวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรัมนาสาวาทุปายังเตตติมารเสนังสุริโยวะโอภาสยามันตริกันติโพธิกฐาน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตัศรุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์เสด็จประทับนั่งที่ควงไม้โพธิพึกใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาที่รู้เวลาเสนานิคมครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเสด็ยมิมติสุขโดยบัลลังเดียวตลอดเจ็ดวันที่ควงไม้โพธิพึกนั้นครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนัสการถึงปฏิจจสมบาต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 เพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชารามรณาโสกาพริเทวะทุกขโทมณัสสะอุปาญาตวัาตทุกขทั้งมวลล้วนๆย่อมเป็นไปด้วยประการอย่างนี้เพราะวิชานั่นแหละดับสํารอกโดยอราธรรคโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับปิญญาจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะหกจึงดับเพราะอายตนะหก 菩萨หกจึงดับเพราะภาษหกดับเวทนาก็จึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันห้าดับอุปาทานทั้ี่ก็ดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะภพดับชาติคือความเกิดจึงดับชาติความเกิดดับชราบรณะโศกะป็นทีดว่ทุกขโทมัสอุปาญาจึงดับความดับแห่งวัฏฏทุกขทั้งมวลล้วนเป็นไปด้วยอาการชนี้ ครั้งนั้นแลเมื่อพระบรมศาสดาทราบชาัดตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดแลโทีิปักคียธรรมสามสเจ็ดประการย่อมปรากฏแก่ครางผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยอารมนูปนิชานและลัคณุปนิชานเมื่อนั้นความสงสัยของครามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้ ง, งหิมพอมัชิมายามพออระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม แล้วก็ทรงอุทานว่าครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าทราบชัดตามความนั้นแล้สิ่งทรงเป่งอุทานว่าเมื่อใดแลโพธิปักขิยะรำสมสิบเ็ปร ะ, รประการย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยอารามันูปณิชฌาและลักหนูปนิชฌ า, ละละชาเมื่อนั้นความสงสยัยทั้งปวงของพราหมณนั้นย่อมสิ้นไปพร้อมมารู้ธรรมพร้อมทั้งเฉลีย แลพระองค์ก็พิจารณาในปัจฉิมยามทั้งอนุโลมและปฏิโลมในปฏิจจสมุปบาทเห็นตามความเป็นจริงพระองค์ก็ทรงเป่ียอูทานในยามสุดท้ายว่าเมื่อใดแลโพธิปักเชียรรสามสิบ็ประการปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยอารมาโนปนิชาและลัคนณูปนิช า, ละละชาเมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดุจพระอาทิตย์อุทัยขึ้น ทำอากาศให้สว่างสวัยฉะนั้นโพธิกะฐานิทิตาจบคาถาว่าโดยการตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า